ทาพุทธบริษัท ต, ต่อจากนี้ไปจะแนะนำเฉพาะสังโยชน์สิบดไหมถ้ามีเพราะว่าการไอส้สัญญาต่ออายุหมดเมื่อวัที่แปดตุลาคมสองพน้ร้อยสาิบสี่ทแล้วก็ทั้งหมดจริงๆก็วันที่ยี่ เมื่อที่ยี่หกถ้ามาต่อใหม่การต่อครางนี้ไม่มีเวลาแน่นอนเพราะว่าเขาก่อนต่อมารั้งละสิบปีฮะถ้าถึงสิบปีทีไรมื่อป่วยถึงิีงล่ลมปราณทุกทีแต่ว่าปีนี้ทุกเวทนามากนับตั้งแต่กลับไปจากที่นี่เมื่อรับแขงเสศษกระหมุติเดินออกมาไม่ได้ แล้วนั่งไปแล้วลุกจะลุกขึ้นต้องพระยกขึ้นลุกไม่ไหวอาการไปใครตัวเมื่อไปวัดพุทธชโยความจริงว่านันจะไม่ไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าจะบอกไปเถอะไปเมื่อไปถึงขึ้นแรกก็ปรากรุ่มมีศิมาก้อนใหญ่สองก้อนทึ้งฝังลาไส้อยู่ทํามจริงข้าวไม่ได้ชั้นข้าวได้สองสามช้อนก็เกียน กินยาก็ไอเยนเอ็กซเรย์ก็ไม่พบตากรดเสมหะสองก้อนมันออกออกไปแล้วก็ลงชันข้าวได้ที่พอชันข้าได้มาสองั้งวันนะก็ะไม่ได้มากท่านก็ถามว่าต้องการกี่ปีก็ตอบว่าไม่ต้องการเลยท่านถามว่าอายอีกยี่สิบปีไม่ก็ไม่เอาอายุอายุถงร้อยยี่สิบปีไม่ก็บอกไม่เอา ท่านถามว่าเอาเท่าไรบอกไม่ต้องการอยู่ต่อหนึ่งวันก็มันทุกชินะก็เป็ น, น, นว่าท่านขอร้องให้อยู่ต่อไปก็เลยมีสัญญา ว, ว่าถ้าป่วยหนักเมื่อไรก็ขอไปเหมือนั้นถ้าป่วยหนักอย่างที่แล้วมานะก็ไม่ขออยู่ว่าที่แล้วมาเมื่อวันที่สิบสามตุลาคมวันนั้นคิดว่าอยู่ไม่ไหวเพราะอาการต่างๆที่อาเจียนทุกวันมันมีไปปกติ ก็ดีบางครั้งกระวมทั้งตัวแล้วเราทำได้หัยใจก็ไม่ดีในปอดก็มีน้ําความดันก็สูงทั้งหมดนี่เปรีกายขอความตายทั้งหมดยิ่งไปกว่านั้นก็ยังมีเสมหะก้อนใหญ่บางอาหารฉันอาหารไม่ได้แคงไปนิดหน่อยก็เจียนแล้วก็ฉันยาก็ไม่ได้ยาก็ไม่มีผล ฉันยาเข้าไปก็าเชนออกมามันทรมานอยู่เกือบเดือนขั้นมาวันที่13ตุลาคมวันที่เดยวเฉพาะอย่างวันที่12เวลาประมาณทั้งสองทุ่มมันมีเม็ดเล็กๆขึ้นอี่คอเต็มคอหมดก็ย า, ก, ก, วายกว่ายก็ไม่ลงยาท้นเคยใช้ได้ลมคอลมก็ไม่ลงเช้าขึ้นใน ห, หมอตรวจหมอบ อ, อกแดงทั้งลำคอเจ็บคอมาก พอเรตกกลางคืนวันที่สิบสามไอ้เจ้าเมตตนหายไปกลายเป็นแผลแผลเต็มลำคอคืนน้ำลายก็ไม่ได้คือน้ำก็ไม่ได้ในเมื่อคืนน้ำลายคืนน้ำไม่ได้ก็ตัดสินใจคิดว่าวันนี้เราไปก็ไปที่เทวสภาก็ปรากฏว่าที่นั่นเต็มไปด้วยทั้งเทวดานางฟ้าระพรมมาหมดแต่ว่าทุกองผูก้กระทานไม่มีใครพู ด, ด้วยเลย ดีไหมเราพูดคุณเดียวในเมื่อไม่มีใครพูดด้วยก็ขอลาบอกท่นานบอกลาละจะไปนิพพานพอลุกขึ้นไปอนินก็บอกว่าคุณอย่าเพิ่งไปนิพพานไปแวะที่จุฬามนีก่อนก็ไปแวะที่จุฬามนีพอเข้าประตูจุฬามนีเองพระอรหันต์เต็มมีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน ก็มีพระองค์เดียวพูดแต่คือพระโมกคัลลาท่านโบกมือบอกว่าบอกเฮ้ยวันนี้ประตูนิพพานไม่เปิดเว้ยใช้ภาษาไทยนะก็สะแสดงว่านิพพานจริงๆไปได้ทุกวันถ้าไปเที่ยวนี่จะไปอยู่ในเมื่อถึงเวลาเขาไม่ถึงเวลาเขาไม่เข้าเมื่อเข้าไปหาพระพุทธเจ้าแล้วท่านถามว่าจะไปไหน เลยบอกเขาบอกว่าคอมันแดงทั้งคอเป็นแผลไม่แดงเฉยๆนะเป็นแผลเลยคือ น, น้ําลายก็ไม่ได้แล้วก็คืนน้ําก็ไม่ได้อย่างนี้จะอยู่ได้ยังไงการธรรมันอื่นมันก็หนังอยู่แล้วบอกขมขอลาไม่อยู่ต่อไปไม่ทพ้เลยเรียกท่านท้าว ส, สามสามบดีพรมกับไปเอ็องเข้ามา พอท่านสามาัีพรมิอิเข้ามาก็เลยบอกว่าต้องปราศราน้ำมรกตลาประตูนิพานไม่เปิดเรือน้ำมรกตลาบอกวันนี้พระหานมัธยมที่นี่หมดนิพานปิดคุณขึ้นไปไม่ได้ก็เลยบอกว่าถ้าขึ้นนิพานไม่ได้ก็จะอยู่สวรรค์ถามว่าอินพระสวรรค์มที่ว่างไหมท่านบอกที่ว่างท่าหบอกคุณไม่มีเมื่อได้สวรรค์ไม่มีก็จะอยู่พรม ทางพระองค์บอกว่าที่ว่างนั้งคุณไม่มีก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีทั้งสองแห่งก็ขออยู่จุฬามณีเป็นปที่เป็นที่ว่างใช่ไหมเป็นที่เป็นเรื่องไม่ใช่เป็ น, ป น, นของของกลางพราะว่าท่เจ้าจึงเลยเรียกท่านสามบดีพระองค์ามาเพราะว่าไปดูที่ร่างกายเขาเป็นยังไงท่านสามบดีพระค์ลงมาพักหนึ่งประมาณรักยี่สิบนาทีก็ขึ้นไป เมื่อคืนไปท่านบอกว่าเรียบร้อยแล้วพระเจ้าว่ทูลกลับลงมาเมื่อกลับลงมามาดูกะมือคําคอแผลแผลหายหมดคือน้าลายได้คกลืนน้ําได้ฉันยาได้ได้ทุกอย่างท่านก็เลยบอกว่าถ้ามัดีขึ้นอย่างนี้ก็ยังไปไม่ได้ตั้งอยู่ก่อนนะตต่ยังไม่แต่ว่ายังไม่หมดกดข้องกรรม ต้องรอไปวันที่ยี่หตุลาคมไอ้วันนั้นนอเสหะก้อนใหญ่ที่วันขวางอาหารขวางยามันออกมาตอนประมาณทุกติกุ่มสองทุ่มได้ไหมประมาณสองทุ่มมีคนรู้ไม่กี่คนเพราะมีพยพยาบาล2สององค์มีคนกร า, าลังวัดสามคนพอเจ้าเสภะนั้นออกมาแล้วกินข้าวได้แต่กินยังไม่ได้มากนะก็มันเป็นว่าสัญญาต่อไปนี้ท่านบอกว่า ตอนนี้ไปก็ขอให้อยู่อยู่ก่อนแต่ว่าฉันไม่ขอตั้งเวลาลวก็เลยบอก่าว่าถ้าป่วยหนักจะนิ่งอะไรผมไปเม่นั้นท่นก็เลยบอกขณะที่ยังไม่ป่วยหนักยังไม่ตายตอนนี้ไปให้สอนเฉพาะสังโยชน์สิบโอที่แตกให้สอนวนไปวนมาเฉพาะสังโยชน์สิบ ให้ทุกคนฟังรู้สึกว่าง่ายถ้าไม่วนไปวนมาไม่พูดบ่อยๆจะรู้สึกว่ายากเมื่อฟังบ่อยๆจะมีความรู้สึกว่าง่ายมีความเข้าใจาเกิดขึ้นทุกคนก็สามารถจะตัดสังโยธธนแต่ทีละส่วนส่วนแรกสามข้อส่วนที่สองอีกสองข้อเป็นห้าข้อส่วนที่สามอีกสี่ห้าข้อเป็นสิบข้อแล้วก็ถามถึงผล ท่านก็เลยบอกผลผลมหาศาลมากแต่ไม่ขอบอกจำนวนนะทีหาฟุ้งเกินไปผลใหญ่มากก็เป็นว่าในเมื่ออยู่ยังมีผลก็จะอยู่แล้วก็จะอยู่ต่อไปจนทั้งกอยร่างกายจะทรมานใหม่ถ้าร่างกายทรมานใหม่ครั้งนี้ก็ไปเลยไม่กลับมาขันยะาอะไรอย่างนี้นะเมื่อก่อนนี่สิบปียี่สิปีทีมันไม่ไหว เยี๋วไา้ป่วยหนักแบบนี้มันป่ยปวยพิเศษก็เป็นว่าวันนี้ขอเริ่มต้นเรื่องสังโยชน์คาว่าสังโยชน์แปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรัตใจมีสิบอย่างหนึ่งสกายยทิฏฐิมีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราสองวิจิจิฉา สงสัยไม่เชื่อพระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าสวรรค์มีนระกมีเราไม่เชื่อหรือเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้า ง, างจะมีความสงสัยตายแล้วมีสภาพไม่ศูนแล้วก็ไม่แน่ใจเพว่าคนตายแล้วไม่มีใครกลับมาก็าคิดว่าศูนแล้วบบการศึกษาศิลปตปรามาสทักษะศิลไม่จริงจัง มีความบกพร่องในสิ่งแล้วสี่กามฉันทะมีจิตมกมุ่นในกา ม, มารมห้าปฏิฆะมีลมโกรธหกอุปราคะหลงในรูปฌานเจ็ดอุปราคะหลงในรูปฌานอย่างที่เขาเจริญกรรมฐานกันอ่ะพอถึงฌานแล้วก็หลงในฌานไม่ใช้ปัญญาเพื่อพัฒนาตากิเลส มพุทธเพืนอยังแค่ชานนะอย่างนี้เรียกว่าหลงแล้วก็แปดมานะการถือตัวถือตนก้าอุตจจะมีรมพุ่งสัน้นสิบอวิชามีความเข้าใจว่าโลกนี้น่าอยู่โลกนี้น่ารักคือว่าโลกเราผมโลกน่าอยู่น่ารักนี่เป็นความรู้ไม่จริงนะ ก็วิธีตัดก็ตัดให้มีความรู้สึกว่าร่างกายนี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายมีเราข้อที่หนึ่ข้อที่สองใช้ปัญญาพิจรารณาความดีอขององค์ทศเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ข้อที่สตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ข้อที่สเจอในสุภกรรมฐานเข้ากับกายกตาดสติและสุภกรรมฐานร่วมกัน เพื่อตัดกรรมมาชันทะข้อที่ห้าปฏิฆะใช้เจริญพรหมีหารสี่หรือก็สินสี่เพื่อเพิ่มตัดวันนี้ข้อที่หกข้อที่เจ็ดอันนี้ไม่ยากคนที่มีปัญญาจึงขั้นอนณาคา ม, มีแล้วก็ไม่มีความจำเป็นต้องแนะนำคือก็ไม่หลงในรูประชานะรูประชานวังนิพพานถ้าต่อไปก็ตัดมณนะการถือตัวถือตน คิดว่าเรากับเขาเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน้นนตัดความพุ่งสัน้นความหวังอย่างอื่นไม่มีมีเฉพาะนิพพานอย่างเดียวตัดวิชาเลยเลยว่านุบมนุส โ, โลกเทวโลกระพรมโลกไม่ดีไม่พ้นทุกข์จริงไม่ชาวกกลับมาทุกข์ใหม่ระหวังนิพพานอย่างเดียวนี่พูดถึงสารโยสิบไม่ฟังนะยังอธิบายถ้าพูดแค่นี้เสร็จใช่ไหม วันนี้กกลับมาจับตัวต้นตัวต้นของสังโยชน์สิบข้อที่หนึ่งคือสกายยทิฏฐิสกายยะทิฏฐินี่เป็นกิเลสที่ตัดตัวเดียวองค์พระอรหันต์ทั้งหมดตัดเฉพาะสกายยทิฏฐิเพราว่าสกายยะทิฏฐิถ้าตัดตัวเดียวถ้าตัดได้อย่างอ่อนเป็นปะโสดาบัน ตัดได้ดีกว่านั้นอีกนิดหนึ่งเป็นพระสิกขาคามีตัดได้อย่างกลางเป็นพระนาคามีตัดได้ถึงที่สุดเป็นพระอรหันต์แต่ว่าถ้าจะแนะนําแบบนี้ก็จะได้เฉพาะคนที่เป็นอกติสัญยวจะแนะนําทั่วไปแบบนี้ไม่ได้ก็ขอแนะนําละเอียดหน่อยเพื่อความเข้าใจขงมดาจ่าพุทธบริษัทอันดับแรก แต่ ก, กายทิธิสำหรับพระโสดาบันกับพระสิกขาคามีจะมีความรู้สึกยังไม่มากคือปัญญายังน้อยอยู่ที่พระเจ้ทาทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีสิกขาคามีก็ดีมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์ถ้างความรู้สึกแรก ต่ในข้อต้นก็ขอให้ทุกคนนึกว่าร่างกายของเรามีสภาพจะต้องตายคนที่เกิดก่อนเราตายไปก็มากคนที่เกิดพร้อมเราตายไปแล้วก็มีคนที่เกิดทีหลังเราตายไปแล้วก็มีแล้วเราจะอยู่ได้ยังไงในที่สุดเราเองก็ต้องตายเหมือนกันแล้วนี่ความตายมีกับใครบ้าง สมมติว่าเราปเป็นชาวบ้านธรรมดาเราอาจจะต้องตายแต่พระมหากษัตริย์อาจจะไม่ตายก็ได้ใช่หไหมแต่ความจริงพระมหากษัตริย์ก็ตายทุกองค์ต่อมาก็ไปดูคนที่สูงว่านั้นคือพระเจ้าจากักรพรรดิพระเจ้าจากักรพรรดิมีบุญใหญ่สามารถปกครองโลกทั้งโลกเพราะก็ได้จะไปยังไงก็ได้ได้ทุกอย่าง รวยก็รวยทำหน่ายก็มากแต่ในที่สุดพระเจ้าจักรพรรดิก็ตายไปดูท่านที่มีกำลังสูงมากกว่านั้นคือพระอรหันต์พระอรหันต์ก็นิพพานนับไม่ทวนจะดูให้ยิ่งไปกว่านั้นคือพระพุทธเจา้าพระเจ้า ก, ก็นิพพานเหมือนกันก็ลงความว่าความตายมีกับคนทุกคนที่เกิดมาในโลก ไม่มีใครจะไม่ตายแม้แต่องค์สมเด็จพระจอมใจซึ่งว่าเป็นผู้ประเสดยิ่งกว่าใครทั้งหมดในโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกรค์เทวโลกเราสมโลกก็ตายเหมือนกันตอนแรกคิดแค่ตายก่อนนะอาจารย์องจะตายไหมฮะไม่ตายยังไม่ตายยังพูดได้นะแต่ไม่ช้ากันเลยพูดใช่ไหม ก็ค่อยๆคิดถึงความตายความตายนี่นเรียกว่ามรณานุสติแต่ว่าถ้าพูดทั้งสัโยอก็เป็นสกายยะติติสกายะติิทถ้าคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีเราร่างกายคือธาตุสีธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟรวมกันขึ้นเป็นร่างกาย แล้วก็มีอาการสารยี่ิบสองในเมื่ออาการทั้งหมดนี้ไม่ใช่เราแล้วใครเป็นเราตัวเราจริงๆก็คือเรียกว่าจิตตามภาษาหนังสือเรียกว่าจิตตามภาษาหนักปฏิบัติเรียกว่าอทิศมานากายคําว่าอทิศมานกายก็แปลว่าร่างกายที่ไม่สามารถจะเห็นได้โดยตาเปล่าอย่างที่บรรดาญาโยมพุทธบริษัทส่วนใหญ่ ที่ได้มโนมยิทธิขึ้นไปบนสวรรค์ก็ดีไปมี่โลกก็ดีไปที่ภัยก็ตามจะไปไหนก็ตามไม่ตัวนั้นมันไปร่างกายที่เป็นเนื้อมันไม่ได้ไปด้วยตัวนั้นจริงๆน่คือเราเราคือจิตเริมที่สมานกายเราะฉะนั้นเมื่อเราคือจิตเริมที่สมานกายในเมื่อร่างกายมันไม่ใช่เราไม่ถึงของเราเราไ ม, ไม่สามารถจะบังคับกันได้ ถ้าของต่างๆจะเป็นอะไรก็ตามถ้าเป็นของเราจริงๆมันต้องมีอยู่ภายใต้อำ น, นาจของเราตอนที่เราไม่สามารถจะบังคับร่างกายได้ร่างกายจะแก่เราไม่ต้องการแก่มันก็แก่เราไม่ต้องการอาการป่วยไข้มันสบายแต่ร่างกายมันจะป่วยที่อย่างมันก็ป่วยความไม่ควมมันก็ไม่เชื่อเราถึงวาระที่มันจะตายเราก็บังคับไม่ได้ กรโรงความระร่างกายจริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้คิดสั้นๆอย่างพระโสดาบันเกษกิสาคามีไม่ต้องคิดสูงนักเอาแค่คิดว่าร่างกายนี้จะต้องตายสักหนึ่งข้างหน้าแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตายจะมีกับเราเวลาไหนเราจงอย่าคิดว่าเวลานี้อายุขยัยเจ็ดสิบห้าปี อายุยังไม่ถึงเจ็ดิบห้าปีไม่ตายอันนี้ไม่จริงความตายไม่มี ม, ม, ม, ม่องสมายไม่ไดบอกเราว่าจะตายเมื่อไรเราสามารถจะตายเดี๋ยวนี้จะตายวันนี้จะตายพรุ่งนี้ก็ตายได้เพราะความตายไม่แน่นอนอที่พะเจ้าอชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงแต่ว่าความตายไม่ใช่ว่าจะมีวันนี้แต่พรุ่งนี้ ที่กันถามกบเปตกาลีท่านถามเบตกาลีท่านถามว่าเธอจะตายเมื่อไรทราบไหมเธอบอกเธอไม่ทราบเธอทราบแต่เพียงว่าร่างกายนี้ต้องตายแต่ไม่ทราบว่าจะตายเวลาไหนจะตายวันนี้จะตายพรุ่งนี้จะตายเช้าตายสายตายบ่ายตายเที่ยงเธอไม่ทราบดะนั้นขออนาญาตโยมบริษัทให้นึกถึงความจริงข้อนี้ไว้ การนึกถึงความจริงข้อนี้ไม่ใช่การนึกถึงความตายแล้วก็มืออ่อนเท่าอ่อนไม่สามารถจะทํางานได้อันนี้ไม่ถูกขณะที่มีชีวิตอยู่ต้องทําทุกอย่างเพื่อความเป็อยู่เป็นสุขแต่ว่าเราคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายก่อนที่จะตายเราต้องเตรียมพร้อมพร้อมเพื่อพ้นความทุกข์คือเตรียมทุกอย่างเพื่อนิพพาน อันดับแรกคือมันดาเต็มพุทธวิสัตถ์ก็คือการให้ทานการให้ทานกับสัตว์การให้ทานกับคนการถวายทานกับพระการถวายเป็นสังฆทานดีทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะคนที่จะให้ทานได้ต้องมีคุณธรรมสองอย่างประจำใจหนึ่งเมตตาความรักสองกุณาความสงสาร คนรู้สัตว์ที่เราไม่รักเราก็ไม่ให้คนรู้สัตว์ที่เราไม่สงสารเราก็ไม่ให้แต่ด้านในเมื่อมีเมตตาความรักมีกุณาความสงสารเกิดขึ้นเราจรึงให้ทานแล้วก็ผลของทานไปยังไงพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานนางสักโสทานนางทานเป็นบันไดให้เกิดบนสวรรค์ ลงความว่าคนที่ให้ทานเนี่ยตายจากความเป็นคนไปสวรรค์ได้แน่นอนถ้าบาปไม่เข้ามาตัดหน้านะใช่ว่าไงถ้าถ้าบก็ทงว่าบาปจะตัดหน้าก็ต้องคิดว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายถ้าอาจจะตายวันนี้ก็ได้พรุ่งนี้ก็ได้วันนี้เราต้องสร้างความดีคือให้ทานตั้งใจว่าเราจะให้ทาน ถ้าทรัพย์มีน้อยเราก็ให้น้อยถ้ามีมากเราก็ให้มากแต่การให้ทานยาเบียดเบียนตัวเองอยาให้ทานทิ้งก็ตั้งมีทุกหรือ ว, ว่าถ้าเรามีน้อยยังให้ไม่ได้มีความจะเป็นเราก็ยังไม่ให้แต่ ว, ว่าจิตคิดว่าจะให้ทานมีอยู่จิตตั้งใจทรงเคราะห์มีอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าท่าเรียกว่าอะไรโแก่ okay. เป็นกรรมฐานกองหนึ่งนะคือว่าจิตคิดจะให้ทานนี่เป็นการเสียสละไอ้ตัวจิตคิดจะให้ทานนี่มันมีวตัวเมตตาเมตตาความรักคนณาความสงสารมีในใจถึงแม้ว่าเรายังจะไม่ทานจะเรียกว่าจาคานมติกรรมฐานตัวคิดจะให้ทานนะคิดว่าจะให้ทานแต่ยังไม่ได้ให้ เวลานั้นถือว่ามีสมาธิอาจาคานุติกรรมฐานคําว่าสมาธิในบรรดาทต็มพุทธบริษัทถ้าเป็นสมาธิเล็กน้อยอย่างคณิกะสมาธิแล้วก็สามารถจะเกิดเป็นลุกเทวดาก็ได้ภุมิเทวดาก็ได้ถ้าสมยอมมีสมาธิเป็นอุปจาระสมาธิ แล้วก็สามารถจะเลือกสวรรค์เกิดได้ตามชอบใจซ้อนหกชั้นไปสวรรค์ได้แน่นอนนี่ยังไม่ได้ให้นะคิดว่าจะให้อย่าลืมก็กลายมาคิดว่าจะให้นี่เพราะอาศัยเมตตาความรักกุณาความสงสารเป็นคุณธรรมชั้นสูงในเมื่อเรามีเมตตาความรักอย่างหนึ่งกุณาความสงสารอีกอย่างหนึ่งสองสองตัวเข้าประกอบกันเ้าสามารถให้ฐานได้ การให้ทานนิบรรดาท่านพุทธวิษัตถตัดความทุกข์ขั้นแรกได้อันดับแรกเราตายแล้วไปสวรรค์ได้อันดับที่สองพ้นจากสวรรค์ลงมามนุษย์เราจะไม่เป็นคนยากจนเขิงใจจะมีทรัพย์สมบัติมากทั้งนี้สุรัะเขตของทาน <c oughs> คำว่าเขตของทานหมายความว่าการให้ทานเนี่ยให้ถ้าให้ทานแกนสัตว์ิราาน ก็มีอานิสงส์แต่อานิสงส์น้อยถ้าให้ทานกับคนที่ไม่มีศีลก็มีอานิสงส์อานสูงมากกับสตว์ที่ฉันนิดหน่อยถ้าให้ทานกับคนที่มีศีลบริสุทธ์ก็มีอานิสงส์มากถ้าให้ทานกับพระราหันก็อานิสงส์มากขึ้นถ้าถวายทานพระเจ้าก็อานิสงส์มากหนักขึ้นถ้าถวายเป็นสังฆทานจัดว่าเป็นยอดก็อานิสงส์ ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าการถวายสรทานข้างหนึ่งในชีวิตเอาแค่ข้างเดียวนะด้วยศรัทธาแท้ตายจากความเป็นคนไปแล้จะเกิดเป็นคนอีกกี่ชาติก็ตามขึ้นที่ว่ายากความยากจนเขินใจไม่มีจึงกว่าจะเข้านิพพานตัวอย่างก็มีในพระไตรปิฎกมีพี่สาวกับน้องสาวในสมัยพระพุทธเจ้า สำหรับพี่สาวเป็นคนชอบถวายทายกับพระบางองค์องค์ไหนชอบถวายทายกับพระองค์นั้นส่วนน้องสาวจะทำอย่างนั้นบ้างก็บังเอิญมีพระอรหันต์ท่านเตือนท่านบอกว่าการถวายทายกับพระอรหันต์นั้นมีอริสงมากแต่ว่ามีสง์ไม่เท่าถวายสังฆทานการถวายสังฆทานมีสงมากกว่าเป็นแสนเท่า เมื่อทั้งสองคนตายไปจากความเป็นคนคนที่ชอบถวายทานจะพาะพระบุกุคงองค์บางคนบางองค์ตามที่ชอบใจไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวรรคคนที่ตั้งใจถวายเป็นสังฆทานไปเกิดบนสวรรค์ชั้นที่ห้าที่เรียกว่านิมารดรดีวันหนึ่งพี่น้องทั้งสองมาพบกันว่าคนที่อยู่ชั้นนิมารดีมาหาน้องสาวที่ชั้นดาวดึง ก็ต่างคนต่างเป็นนางฟ้าแต่ว่ามีความสวยสดงดงามต่างกันคนอยู่สวรรค์ชั้นที่ห้านี่สวยมากเครื่องแต่งกายก็สวยรูปร่างก็สวยแสงสว่างก็มากเมื่อสองพี่น้องคุยกันพระอินทร์เห็เข้าก็สงสยัยว่านางฟ้าอีกคนหนึ่งมาจากไหนอีกคนหนึ่งนี่เป็นลูกศิษย์ของเราจําได้เป็นบริวารไอ้คนหนึ่งแปลกหน้าในเมื่อคนนั้นลาไปแล้วท่านก็เรียก คนที่อยู่ชั้นดาวดึงเข้ามาถามว่าเมื่อกี้นี้เธอคุยกับใครเธอก็บอกว่าคุยกับ่น้องสาวถามว่าเขาอยู่ที่ไหนทำไมจึงสวยมากเธอบอกว่าเวลานี้เขาอยู่ชั้นทีห้าคือนชั้นนิมานนตดีพี่ินถามว่าเพราะอะไรเธอเลยเลยบอกว่าเพราะเวลาเขาถวายทานเขาตั้งใจถวายเป็นสังฆทาน ควนฉันต้องการถวายทานเป็นส่วนบุคคลชอบพระโอ๋ไหนออก็ถวายองค์นั้นโดยเฉพาะอาลิสงจะ์น้อยกว่านิรดาวดาใทพุทธบริษัทโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามีเมตตาความรักกรุณาความสงสารแล้วก็สามารถจะตัดความทุกข์เบื้องต้นได้คืออย่างน้อยที่สุดตายอย่างความเป็นคนก็เป็นตบดาเป็นนางฟ้าได้ถ้าลงมาเป็นคนก็ตัดความยากจนเขนใจได้ แ้ายิ่งไปกว่านั้นถ้าเรามีเมตตาความรักกุณายความทุกข์าาสารสองตัวคู่กันในใจิตใจเราก็จะเป็นคนมีศินได้เพราะสินยังมีขึ้นมาได้เพราะสายหนึ่งเมตตาความรักสองกุณายความทุกขสารแต่ว่าวันนี้บรรดาธรรนพุทธบริษัทเวลาหนึ่นาทีครึ่งก็ขอายา้ากับบรรดาธรรมพุทธบริษัทว่าอันดับแรกการตัดสังโยชน์การมนุมรรคผลอยู่ที่สังโยชน์สิบ ที่เราปฏิบัติกันโดยไม่เข้าในสังโยชน์จะเป็นพระอริยเจ้าไม่ได้ถ้าเราตัดสังโยชน์ในสามข้อต้นคือหนึ่งสกายาติติมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ต้องตายตัดข้อที่สองไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์ท่านบอกว่าสวรรค์มีเราก็เชื่อมีเชื่อ้ดยความจริงใจนรกมีเราก็เชื่อ้วยความจริงใจ เติมโรคมีเราก็เชื่อในความจริงใจตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์จะต้องเกิดใหม่แล้วก็เชื่อในความจริงใจเชื่อในความเคารพแล้วก็ศีลปฏิบารมาระงับสินห้าให้ครบถ้วนหมายควาศสินห้าข้อเราจะไม่ยอมให้ขาดไม่ยอมให้บกพร่องอย่างนี้ท่านเรียกว่าประสดาบันเอาละโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้นะ ขอแนะนำพุทธบริษัทเฉพาะ ก, กากยธิทิตัวต้นเ่อนึกว่าชีวิตที่ต้องตายไปเสมอตอนนี้ไปเขบาบรรดาเะพุทธบริษัทหลหมดเวลาแล้วทุกท่านหันหน้าไปทางพุทธรูปตั้งใจสมาทานสิ่งสม า, าทานเป็นกรรมฐาน